นต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจที่จะทำสมาธิกันต่อไปซึ่งก็ได้เวลาที่มีความสำคัญเราจำศีลแล้วก็ภาวนาจำศีลมาแล้วเวลานี้ก็จะได้ภาวนากันต่อไปจำศีลภาวนาจะได้ครบ คถ้วนบริบูรณ์การทําสิ่งใดที่ครบถ้วนบริบูรณ์นั้นก็เหมือม น, นกับเราที่ทําบ้านเมื่อครบถ้วนบริบูรณ์มันก็อยู่ส บ, บายแต่เรายังไม่ครบมันก็อยู่ลําบากเราจําศีลภาวนาบางทีก็ได้แต่จําศีลอย่างเดียวไม่ได้ภาวนามันก็ไม่ครบถ้วนแบบนี้ เราจะได้ภาวนากันต่อไปแต่การภาวนานั้นก็เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เราจะมาทําได้อย่างนี้ตลอดไปก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องทําให้สาเร็จแต่เรื่องใหญ่นี้เราก็ได้ทําให้เป็นเรื่องเล็กแล้ว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราได้มาทํากันอย่างง่าย ได้เวลาเราก็มานั่งแล้วเราก็มาทำได้ทันทีไม่ต้องไปคอยสิ่งนั้นหรือไม่ต้องไปรอสิ่งนี้หรือว่าจะต้องไปทำอะไรต่ออะไรเกรียวการเราก็ไม่ต้องเวลานี้เราก็พร้อมหมายความว่าทำเมื่อไรก็ได้มา น, นั้นจะเรียกว่าสิ่งใหญ่โตกรงาที่นี่มันเรื่องใหญ่มากแต่ว่า เราก็ทำให้เป็นเรื่องเล็กหมายถึงว่าเราทำได้อย่างสบายพราะฉะนั้นกุศลที่เรียกว่าทานสิมภาวนา <c oughs> ก็จะมีอยู่ในตัวของเราเนี่เพียบพร้อมบริบูรณ์ไม่มีการบกพร่อง <c oughs> เมื่อเป็นเช่นนั้นอานิสงส์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่มีความสูงส่ง เหมือนกับเราที่ได้ทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จนั่นแหละตอนนี้ไปก็พากันตั้งใจว่าตามธรรมมาจะเป็นผู้นำข้าพเจ้าแ ล, ล้วเรีกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปิตามานดาคุณครูบาอาจารย์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 นี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาง่ายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลักการนึกพุโทโธในใจแล้วอย่าไปกลั้นใจอย่าไปเปกอวัยวะทั้งปวงให้ทําใจของให้ทําร่างกายของเราให้อยู่ในปกติสบายลมหายใจเข้าออก ก็ให้อยู่ในลักษณะสบายเรานั่งสมาธินั้นเพื่อความสบายสบายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบแม้จะเกิดความเจ็บปวดเมื่อย ต, ต่างๆเหล่านั้นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของร่างกายก็ช่างมันเพราะว่าความดีที่เกิดขึ้นจากสมาธินี่ร่นเหลือถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับลำแม่น้าเจ้าพยา เมื่อเราจะเอาองคหรือว่าเอาขันไปตักนี่ก็ไม่รู้ว่ามันกี่ขันนักขันไม่ทวนอานิสงส์ที่เตรียมล้นเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นก็ยิ่งกว่าลำแม่น้ำเจ้าพญาเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีความเจ็บปวดเมื่อจากเพียงใดนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญเราจะต้องมีความอดทน อดทนต่อสู้เพื่อที่จะให้เกิดการบรรลุหรือเกิดความสําเร็จการบรรลุความสําเร็จนั้นก็คือจิตรวมหรือเรียกว่าจิตสงบความสงบของจิตนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนิดเดียวแค่ดเดียวก็สงบได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราได้มีการฝึกฝนมาแล้วพอสมควร จิตนี้ก็จะเชื่องเมื่อจิตเชื่องก็หมายความว่ากำหนดพุทธโธเพียงนิดหน่อยจิตนี้ก็จะสงบได้ในทันทีความสงบของจิตนี้ท่านกล่าวว่าอานิสงส์นั้นมากเหลือล้อนทนประมาณก็เรียกว่าอัปปามโนเป็นสิ่งที่ประมาณไม่ได้เราจะคำนึงถึงผู้ที่ได้พากันสร้างกุศล เพียงแต่ว่ามีข้าวหนึ่งปั้นใส่บาทเท่านั้นก็อานิสงมากแล้วแต่จะมาเปรียบเทียบ ก, กับการภาวนานั้นไม่ได้ภาวนานั้นมีอานิสงมากกว่าการที่จะกระทำกุศลอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นบัณฑิตนั ก, กราชทั้งหลายจึงมีความสนใจ ในการที่จะทำสมาธิทำสมาธิแม้แต่ในเบื้องต้นสมาธิก็จะเกิดผลในการบังคับจิตใจของตนใจของคนเรานี้ถ้าไม่มีสิ่งบังคับมันจะเดินไปทางผิดการเดินไปทางผิดนั่นจะเรียกว่าเดินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นก็หมายความว่าไม่มีสมาธิ และไม่มีพลังจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อจิตของคนเหล่านั้นไม่สามารถที่จะบังคับได้เดินไปในทางผิดแล้วมันเป็นสิ่งที่แก้ตัวไม่ไหวมันอาจจะต้องไปสร้างอืความผิดต่างๆเป็นต้นว่าถ้าสัตวดขโมยของคนอื่นประพฤติก่มถืนอาณาจารย์หรือโกหกหลอกลวงกินเหล้าเมาสุราอะไรอย่างนี้ ตลอดจงกระทั่งการทําบาปอื่นๆเป็นอันมากนั่นก็คือการไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของตนได้ <c oughs> ถ้าหากว่าเราได้ทําสมาธิแล้วเราก็สามารถควบคุมจิตใจของตนได้เพื่อควบคุมไม่ให้ไปสร้างาบาปอากุศลแต่เดินมาในทางถูกพระภาคเพียรพยายามที่จะสร้างแต่กุศลผลบุญ ให้เกิดขึ้นสาเหตุที่ว่าบุคคลผู้นั้นมีจิตเป็นสมาธินั่นเองพราะฉะนั้นเมื่อสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นก็ได้อานิสงส์สามารถที่จะควบคุมของจิตใจของตอนได้จากนั้นจิตนี้ก็จะไม่หยุดยั้งอยู่กับเทในเมื่อเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่ จิตนี้ก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเราเองอาจจะไม่รู้ตัวว่าจิตนี้จะก้าวขึ้นไปได้อย่างไรแต่ว่าเมื่อเราได้ฝึกฝนแล้วจิตนั้นก็ก้าวขึ้นไปตามอัตโนมัติเหมือนกันกับเราปลูกต้นไม้เราใส่ปุ๋ยรดน้ำต้นไม้มันก็จะขึ้นของมันไปเองโดยอัตโนมัติ ที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเราฝึกจิตของเราไปวันที่ 2, หนึ่งที่สองหรือครั้งที่สองที่สามหรือครั้งที่ร้อยครั้งที่พันการที่เราได้ฝึกจิตมาตามลําดับนั้นความขยับขยายหรือความพัฒนาจิตนั้นก็จะมีการพัฒนาไปในตัวของมันตลอดตลอดจนกระทั่งมัน มีความพัฒนาเรียกว่าโตขึ้นตามอัตโนมัติของมันความโตขึ้นของจิตนั้นหมายถึงความบรรลุเป็นขั้นตอนบางทีอาจจะบรรลุขั้นปฐมฌานบางทีอาจจะบรรลุขัน้นสุติยฌานตติยฌานจญุติฌานเป็นต้นจิตนี้ก็จะเข้าไปสู่ฌานนั้นตามลําดับ แต่เราอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าปฐมฌานมันเป็นยังไงทุติยฌานมันเป็นยังไงตาติายฌานเป็นยังไงจะติตยฌานเป็นยังไงเรารู้ได้แต่ว่าจิตรวมเท่านั้นเองเมื่อเรารู้ว่าจิตรวมเราก็ถือว่าเรามีความสบายแล้วหรือว่าเราจิตนี้มันลึกซึ้งมากวันนี้มันสบายมากอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าจิตนี้มันรวมแล้ว เมื่อเรารู้ได้เท่านี้เราก็รู้เพียงเท่านี้ก็พอแต่เรื่องที่จะเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุฌานนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปสมมติขึ้นอย่างที่เขาสมมติว่าชั้นปฐมหนึ่งปฐมสองปฐมสาม 4, ปฐมสี่ปฐมห้าปฐมหกหรือมัธยมหนึ่งถึงมัธยมหกอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เป็นเรื่องสมมุติขั้นตอนไปแต่ว่าในหลักการวิชานั้นมันก็มีหลักวิชาที่จะเรียนกันจากต้น็นจะทั่งถึงที่สุดแต่ว่าในเรื่องของสมาธินี้จะสมมติหรือไม่สมมตุติมันก็ได้ผลเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อทำไปถึงไหนก็ต้องได้ถึงนั่น ทำถึงขั้นหนึ่งก็ได้ถึงขั้นหนึ่งทำถึงขั้นสองก็ได้ขั้นสองทำถึงขั้นสามสขั้นสี่ขั้นห้าขั้นห ก, นหกอะไรก็ถึงห้าถึงห ก, ห ก, หกมันก็ได้ตามขั้นตอนโดยที่เราไม่ต้องไปแต่งตั้งหรือโดยที่เราไม่ต้องไปสมมุติมันอยากขึ้นแต่ว่าลักษณะความเป็นไปของจิต น, นั่นก็จะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมัน เพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เรากระทานั้นก็หมายถึงว่าเรากระทาไปเรื่อยๆวันนี้กท็ทําวั น, นต่อไปกท็ทําเดือนนี้กท็ทําเดือนต่อไปกท็ทําปีนี้กท็ทําปีต่อไปกท็ทําเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆการทําของเราไปเรื่อยๆนั้นก็เรียกว่าจิตของเราก็จะรวมไปเรื่อยๆ เมื่อจิตของเรารวมไปเรื่อยๆความพัฒนาของจิตก็พัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทพพระองค์ได้ทรงจะทำมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดท้ายพระองค์ก็ได้บรรลุพระอรหัตตะสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆของพระองค์นั้นก็ถึงสีอาสมขายแสนกับ ปีอาสงไขยแสนกลับเป็นเวลาอันยาวนานที่สุดเรียกว่านับหนึ่งถึงร้อยนับร้อยถึงพันนับพันถึงหมื่นนับหมื่นถึงแสนนับแสนถึงล้านนับล้านถึงโกดนับโกดถึงโยอดนับโยอดถึงอสงไขยอสงไขยนั้นไม่ใช่อสงไขยวันไม่ใช่อสงไขยปีแต่เป็นอสงไข่กลับปีอสงไขยก็เรียกว่านับไม่ถื่อสี่ครั้งการที่พระองค์ได้กระทานั้น ถ้าจะนับเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวนับเป็นปีก็ไม่ไหวเรียกว่านานแสนนานพวกเราก็เช่นเดียวกันในระยะเวลาเพียงห้าสิบหกปีซึ่งมาพิจารณาดูแล้วเราก็จะอยู่กันได้อย่างมากก็อายุร้อยปีไปถึงเวลานั้นก็หมดแล้วหรือว่าในขณะนี้เรามาอายุถึงกลางคน เป็นต้นว่าห้าสิบปีเราจะอยู่อีกห้าสิบปีมันก็ทัางยากแต่ว่าเราอยู่อีกห้าสิบปีนั้นถ้าเราคำนวณเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้บาเพ็ญมาแล้วก็เรียกว่าเปรียบเทียบ ก, กันไม่ได้ยังเหลืออีกห้าสิบปีเท่านั้นพราฉะนั้นเราถึงแม้ว่าจะเหลือเท่านี้แต่เราก็ทำไปทุกวันเราก็ทำของเราไปเสมอเสมอ เราอย่าประมาทแล้วเราก็ทำของเราไปเรื่อยๆการทำไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็ต้องมีวันจบในเมื่อเราสร้างบุญวาสนาบา ร, รมีให้แก่เรานีก่ก็เป็นนิสัยปัจจัยที่จะต่อไปในอนาคตเรื่องหน้าถึงแม้ว่าชาตินี้เรายังไม่บรรลุชาติหน้าเราก็ต้องบรรลุต่อไปว่าเป็นนิสัยและปัจจัยเป็นต้น จิตของเราที่เราได้ภาคเพียรพยายามนั้นใครมองไม่เห็นนอกจากตัวของเราเป็นผู้มองเห็นเราจะมองเห็นในเวลาใดเมื่อไหร่เมื่อเวลาที่เราทําจิตเมื่อใดเราก็สามารถที่จะมองเห็นจิตเราเมื่อนั้นเพียงแต่เรานึกพุทโธเท่านั้นเราก็มองเห็นจิตแล้วถ้าจิตนี้สงบปุ๊บซึ่งลงไป เราก็ยิ่งมองเห็นจิตของเราถนัดยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างสมาธิให้แกเรานั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยการพูดหรือเรียกว่าช่วยตักเตือนซึ่งกันและกันการตักเตือนซึ่งกันและกันนั้นก็คือการแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเรื่องตักเตือนกันไม่ให้เราพากันเกิดความประมาทเราจะได้มีโอกาส สร้างสมาธิให้แก่เรานั้นมากที่สุดเท่าที่จะเราจะมีกำลังสามารถกระทาได้ในชาตินี้สมาธินั้นถ้าหากว่าเราจะพูดนตามลำดับแล้วมันก็มีรูปฌปานสี่รูปฌปานสี่เรื่องของสมาธิจะไม่มีสูงไปกว่านี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ อรูปฌานนั้นหมายถึงปฐมฌานทุตยฌานปฏิฌานนั่จตุถยฌานก็เรียกว่าเรียกว่ารูปฌานสี่รูปฌานสี่นั้นก็คืออากาสานัญจาจตนาฌานวิญญาณัญจาจตนาฌานอคินัญญาจตนาฌานเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานอย่างนี้เรียกว่าอรูปฌานสี่รูปฌานสี่และอรูปฌานสี่นี้เรียกว่าสมาบัตแปด สมาบัติแปดนี้ถ้าใครทำได้สมบูรณ์แล้วนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องทานอาหารได้เจ็ดวันเจ็ดคืนนั่งได้เรียกว่าได้ฌานสมาบัติถ้าหากว่าเราจะลำดับลำดับเป็นฌานไปนั่นก็คือจิตของเรารวมเมื่อจิตรวมในเบื้องต้นนั้นเราจะต้องนึกคุดโธ ่อพุโทโธก็ไม่ไปไหนจิตยอยู่ที่พุโทโธนั้นเรียกว่าเป็นเอกอัคตตาในขณะนั้นนั่นเองก็เกิดปีตีความเอิบอิ่นขึ้นแล้วก็เกิดความสุขสบายขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าปัมชฌานเมื่อทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าปัตตมชฌานมาทีไรเราก็ได้ทุกทีปัตตมชฌานนี่คิดว่าญาติโยมทั้งหลาย ที่อยู่ในที่นี้ก็ต้องได้ปสมมาชานกันหมดแล้วถึงอย่างไรก็ต้องนึกพุโทโธเป็นเอกคต า, ารมมีความเอิบอิ่มมีความสบายได้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นปสมมาชานก็ถือว่าผ่านไปได้จากนั้นก็เป็นทุติยชานทุติยชานนั้นกำหนดจิตเฉยจิตมันก็นิ่งไม่สายแสไปในทางใด มีความอิดอิ่มและมีความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทุติยฌานในทุติยฌานนั่นเสื่อนมากท่านทั้งหลายก็คนเจอพบกันแล้วแล้วก็ได้สัมผัสรับรู้ซึ่งทุติยฌานมาด้วยกันทั้งนั้นกา <c oughs> ต, ติยฌานนั้นเมื่อเวลาจิตรวงลงไปแล้ว เกิดความสบายและมีความเป็นหนึ่งของจิตมีความสบายแล้วก็เป็นหนึ่งของจิตนั้นจะเรียกว่าสบายลึกซึ้งหมายถึงว่าไม่มีอะไรสบายเท่าแล้วก็หมายถึงว่ามีความละเอียดอ่อนแล้วก็หมายถึงว่ามีความซึ่ง ความซึ้งอันนี้มันซึ้งลงไปอย่างลึกซึ้งแล้วเรียกว่าความลึกซึ้งอันนี้เรียกว่าตาติยชตะชันตาติยะชันนั้นอาจจะได้ในบางคนและพวกเราก็อาจจะพบเป็นบางคนส่วนจะติดชยชานสุดท้ายนั้นก็หมายถึงว่ามีความชำนาญอย่างยิ่งจนกระทั่งไม่มี ความรู้สึกแม้กระทั่งความสุข ก, ก็ไม่ปรากฏคือปรากฏแต่ความวางความวางนั้นหมายถึงความวางเฉยวางเฉยนั้นคืออุเบกขาความวางเฉยนั้นเือไม่มีที่จะเกี่ยวข้องสิ่งใดเหมือนกันกับเรามีรั้วกั้นแต่เรานั่งอยู่ตรงกลางอะไรอะไรมาก็ปะทะรั้วกั้นหมด มันเข้ามาไม่ถึงตัวเราแล้วเราก็ไม่มีความอนาถร้อนใจที่จะไปตกอกตกใจในสิ่งต่างๆหรือว่าในที่เราอยู่นั่นเป็นเกาะกำบังถึงแม้จะมีลูกระเบิดหรือถึงแม้ว่าจะมีลูก ป, ปืนหรือถึงแม้ว่าจะมีสิ่งของต่างๆที่พท ะ, ะเข้ามาก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาถึงตัวของเราได้ อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับเจตพิชานจิตของเรานั้นจะอยู่ที่ที่ปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนอนก็นอนตาหลับไม่ต้องไปกังวลสิ่งใดทั้งสิ้นคือไม่ต้องกังวลถึงสิ่งใดทั้งหมดนอนได้นั่งได้ตามสบายเพราะไม่มีสิ่งใดจะมาทำอันตรายได้แล้ว นี่เรียกท่านเปรียบเทียบในจตุทัยฌานคืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็วางตัวเป็นอุเบกขาไม่ต้องเหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความเป็นอุเบกขาความเป็นอุเบกขาของจิตนั้นเรียกว่าเป็นเป็นอุเบกขาที่ตั้งอยู่อุเบกขาที่ตั้งอยู่นั่นก็คือตั้งอยู่ได้ ชื่วนาจาปีหมายความว่าตั้งอยู่เป็นระยะยาวแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้นั้นก็สามารถทำการทำงานได้เหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าสามารถที่จะแยกภาคได้เมื่อเราทำงานลำบากก็ลำบากไปแต่ส่วนจิตใจนั้นไม่ได้ลำบากนะไปตามภาวะคือไม่ได้ลำบากไปตามภาวะของการกระทำ จึงเรียกว่าแยกส่วนแบ่งส่วนได้การที่เราแยกจิตของเราออกจากอารมณ์แยกจิตของเราออกจากสิ่งต่างๆจากภาวนาสุจุติท า, า, านในที่นี้เรียกว่าเป็นสมถกรรมาฐานและต่อไปนั้นถ้าหากว่าเรายังไม่อยากจเจริญวิปัสสนา เราก็เดินจิตของเราเข้าสู่ความเป็นอรูปฌานเพราะว่าอารูปฌานนี้เมื่อจิตเข้าไปถึงอรูปฌานแล้วก็จะแดงฤทธิ์ต่างๆได้หรือว่าสามารถที่จะริชาผลหลังได้สามารถที่จะทำยานต่างๆให้เกิดได้อันที่เรียกว่าโลกิยะ า, ยานหรือเรียกว่าโลกิยฌาน ทำจิตนี้ให้ละเอียดไม่มีสิ่งใดทั้งหมดมีแต่ความว่างเปล่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนจะเป็นสภาวะวสดุต่างๆนั้นจิตไม่ได้ไปเกี่ยวข้องมีความว่างเปล่าอยู่อย่างเดียวนั้นการทำความว่างเปล่าอยู่อย่างเดียวนั้นตลอดระยะเวลาอันยาวนานคือหมายความว่าเราทำความว่างเปล่าอยู่ได้ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเป็นต้น นี่ก็เรียกหรือว่าเราทําให้ยืดยาวนานไปยิ่งกว่านั้นอันนี้เป็นเรื่องของ อ, อรูปฌานองค์ที่หนึ่งเรียกว่าอากาสาณใจยตนะฌานต่อจากนั้นไปก็เป็นวิญญาณานใจยตนะฌานวิญญาณันใจยตนะฌานนี้เป็นความรู้คือตั้งรู้อยู่ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง มีความรู้อยู่คือหมายความว่ามีสติยัง่งมีความรู้เหมือนกันกันกบว่าเราจะพูดเราก็รู้เราจะทำเราก็รู้เราจะนึกคิดอะไรไปเราก็รู้ความรู้อันนี้กาหนดรู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้วอกแวกกาหนดรู้อยู่อย่างนี้โดยที่ว่าไม่มีอะไรมาข้องแวะให้ให้ตัวรู้ตัวนี้ต้องละลาย หรือสูญเสียไปได้มีความตั้งความรู้อยู่ได้ชั่วนาตาปีอย่างนี้เรียกว่าเป็นอวิญญาณวิญญาณัญใจ ย, ยตนะทานเรียกว่าเป็นอรูปฌานข้อที่สองชั้นที่สองขั้นที่สามนั้นคืออากิญจยายตนะฐานอากิญจยายตนะฐานนั้นได้แก่การที่ ีไม่มีความรู้อันนี้ไม่มีอะไรเลยเรียกว่าหายไปเลยที่ว่าเรียกว่าหายไปเลยนั้นก็เหมือนกันกับว่าฝนตกลงมาก็ไม่มีรู้สึกฟ้าผ่าลงมาก็ไม่รู้สึกหรือว่าจะมีอะไรต่ออะไรมากระทบถูกต้องร่างกายนี้ก็ไม่รู้สึกคือมันไม่มีแล้ว จิตนั่นมันหลีกออกหนีจากร่างกายไปตั้งอยู่ในที่ส่วนหนึ่งแล้วมันิดหนึ่งก็ไม่มีที่จะเหลืออยู่ในร่างกายอันนี้หมายความว่าเอาเข็มแทงลงไปก็ยังไม่รู้สึกอย่างนี้เรียกว่าอากิกยายาาาาาญจนะัญญายัตนาฌานเป็นอรูปฌานที่สามเนวสัญญานาสัญญายัตนะฌานเรียกว่าฌานสุดท้าย ทางสุด ท, ท้ายนั้นไม่มีไม่มีความกำหนดอย่างสัญญาที่จะกำหนดว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี่ไม่มีความรู้สึกว่าแม้จะกำหนดไปก็ไม่มีความรู้สึกจะว่าพุทโธก็ไม่มีความรู้สึกจะกำหนดดูร่างกายนี้เป็นกระดูกนี่เป็นกระโหลกศีรษะก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นคือว่าโลกทั้งโลกนี้เนี่ ไม่มีสัญญาอยู่กับผู้ที่ได้รูปฌานขั้นสุดท้ายหมายความว่าจิตเมื่อเข้าไปแล้วก็มิดไปเลยสัญญาต่างๆนั้นเป็นอันหมดไป mm hmm. เมื่อผู้ที่ทำได้อย่างนี้แล้วเ้าเรียกว่ า, ารูปฌานหรือเรียกว่าฌานสมาบัติผู้ที่ทำเช่นนี้นั้นจะนั่งอยู่ได้โดยที่ไม่ต้อง เือนั่งอยู่ได้โดยที่โดยที่ไม่ต้องถันอาหารเลยหรือไม่ต้องเดินไปไหนเลยมองดูเหมือนกับไม่มีลมหายใจนั่งเฉยเรียกว่าไปเข้าฌานสมาบัติแม่ว่าเขาจะทำจิตเท่าไปถึงขั้นนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นที่ไม่ใช่ต่าแล้วเรียกว่าเป็นขั้นสูงแล้ว <c oughs> ถึงแม้ว่าจะ ท, เทาเพื่อได้ถึงขั้นนี้ก็ยังไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่อีกยังไม่พ้นไปจากทุกขยังต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่อีกเพียงแต่มีความสบายเท่านั้นเมื่อเขาตายจากชาตินี้ไปแล้วเขาจะไปเกิดในทภมาโลกซึ่งจะมีอายุนับเป็นห้าร้อยกับเทหมายความว่านานเหลือเกินไปเกิดในชั้นโภมอีกนานเหลือเกิน แล้วไม่ไปถึงพระนิพพานแล้วต้องกลับมาในโลกมนุษย์อีกแล้วก็ยังมาเกย์แก่เจ็บตายแล้วก็จะต้องเกย์แก่เจ็บตายต่อไปใหม่อย่างนี้จนกว่าจะได้ไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปฟังธรรมปฏิบัติในอริยสัจสี่เขาถึงจะได้สําเร็จได้เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้ จึงมียอมให้บุคคลปฏิบัติเอากันแค่รูปไปทานไม่จําเป็นต้องไปทําถึงอรูปไปทานแต่ที่ถ้าหากว่าอารูปไปทานมันจะเกิดขึ้นนั้นก็ไม่ขัดข้องปล่อยให้เกิดขึ้นได้แต่ไม่มีถือว่าไม่มีความจําเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปฏิบัติกันแค่เอาแค่จะติดภัยาน เธอเอาสแาพนาะที่เป็นรูปประชานนี้เท่านั้นก็จะมีพลังหรือมีกำลังพอพอที่จะปฏิบัติอริยสัจสีได้อริยสัจสี่ที่มีจิตเข้มแข็งแต่ที่จะปฏิบัติอริยสัจสี่ได้นั้นก็คือว่าในเมื่อจิตนี้มีความสงบมีพลังจิตแล้วก็ให้พิจารณาซึ่ง อริยสัจข้อที่หนึ่งอริยสัจข้อที่หนึ่งนั้นคือทุกข์ข้อที่สองคือสมุ ท, ทยัยข้อที่สามก็คือนิโรอข้อที่สี่ก็คือมรรคข้อที่หนึ่งทุกข์นั้นได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือไถ่เล่าร่างกายของเรานี่ เกิดมาร่างกายนี้แก่ร่างกายนี้เจ็บและร่างกายนี้ก็ตายเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ที่จะทําให้ร่างกายอันนี้เป็นอริยสัตว์ได้จะต้องทําอย่างไรทรงได้ทรงสแสดงว่าอริยยันติเมพิกทเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้ การที่เราจะกําหนดรู้ได้เราต้องศึกษาส่อนถ้าเรายังไม่ศึกษาเนี่ยเราก็กําหนดรู้ไม่ได้ในเมื่อเราศึกษาแล้วเหมือนกับเราอ่านหนังสืออย่างนี้ถ้าเราไม่ศึกษาก่อนเราก็รู้ไม่ได้ว่าเขาเ ข, าเขียนว่าอะไรแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็รู้ได้ว่าเขาเขียนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นปริย mind, <med S 2> ยันติเน íve, พิเทเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายทุกควนกําหนดรู้ก็เช่นเดียวกันต้องศึกษา แต่การศึกษาทุกนี้เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าแนะให้แก่ท่านปัญจวัคคีทั้งห้าทเทพพระองค์ทรงสแสดงอนัตตลัคณาสูตรให้แกท่านปัญจวัคคีนั้นนั่นแหละคือการศึกษาตัวทุกข์พระองค์ได้ทรงเรียกปัญจวัคคีทั้งห้ามาแล้วก็ตรัสว่ารู้ฟังพิฆเว อ, อนัตตาดูก่อนพิจารณทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนนี่เป็นปริวัตรที่หนึ่ง ปริวัติที่สองนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าตั้งจริงมัญญาาภิกฆเวรูปังนิจังวาอานิจังวาติดูก่านพิสุทั้งหลายท่านจะสําคัญความข้ อ, อนี้เป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงในปริวัติที่สามนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าตัตถาติหะพิกฆเวเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายรูปังอธีตังอนาคตังปัจจุบันนางรูปในอดีตอนาคตและปัจจุบัน จะพังรูปังรูปทั้งตัวเนตังมะมะเมโซหมามัสวนินาเมโซอัตติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนเราเอวะเมตังยะถาปูตังสมัปัญญายาะระตะบังให้พิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบการพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบนั้นก็คือวิปัสสนาการการที่จะเกิดปัญญาอันชอบก็คือกระแสจิตกระแสจิตก็คือที่เรียกว่าดวงตาทิศ เื่องกาทิพย์ก็เกิดขึ้นจากจะตุดทัชาญพิจารณาเห็นรูปคือร่างกายอันนี้มีในอดีตคือจากนี้ไป 5, อายุห้าสิบสี่สิบสามสิบยี่สิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจกระทั่งอยู่ในท้องของมันดาอนาคตังวาจากห้าสิบก็หกสิบแก่ลงไปเจ็ดสิบแก่ลงไปแปดสิบแก่ลงไปเก้าสิบแก่ลงไปตายแล้วที่นี่ตายแล้วเป็นยังไง ก็ถูกเผาไฟเหลือแต่กระดูกเรียกว่าอานากระตังวะอัจจุป น, นังวาพิจารณากายในปัจจุบันก็คือพิจารณาซึ่งอสุภะวา่าอายังโผเมกายโยกายของเหล่านี้แหละอุดทางปาทัตลาเรื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโธเกสามัตตาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปแต่จากปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดคุโรนานักประการรักอสุจิโนแอมไปเลือกของไม่สะ อ, อาดมีประการต่างๆอัจิอิมัสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้ เรียกว่าสัพพังรูปังรูปทั้งพวงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วรูปปัจจัิงตินิมีนติก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปอันนี้แหละวิปัสสนาก็เกิดขึ้นสัจจะคืออริยสัจจะก็เกิดขึ้นสัจจะแปลว่าความจรงิงอย่างที่เรามองดูรูปอย่างนี้อย่างพวกกับเปรย์ที่มันดูรูปนี้มันก็แล่นเนี่ยเผาถีอยู่ทุกวันทุกวันแต่มันไม่เห็นได้สําเร็จอะไรเพราะว่ามันไม่มีดวงตาทิพย์ที่จะพิจารณาเป็นการภายใน ถ้าฉะนั้นเมืม่บุคคลผู้เที่ฝึกจิตของตนจนกระทั่งเกิดดวงตาพิทแล้วก็มามองดูรูปอันนี้คือดูให้หมดเลยว่าร่างกายมีอะไรบ้างหมดทั้งอาการสามสิบสองร่างกายในอดีตเป็นยังไงอานาคตเป็นยังไงเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เกิดนิพริยานความเบื่อนหน่ายขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสัจจธรรมบังเกิดขึ้นแล้วต่อจากนั้นอารีย์ัดข้อที่สองก็คือปัญหาตัดบันติเมทิกโทเว ดูก่อนพิ่สุทั้งหลายสมมุทไทควรละสมมุทไทนั้นน่ะคือกรรมตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาตัญหาทั้งสามนี้มีอยู่ในจิตใจของคนทั่วไปถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติอริยสัจนี้แล้วจะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นออกไปจากจิตได้มันจะต้องติดจากชาตินี้ไปชาติน้้นชาตินู้นไปชาตินูน้น น, น, นนับอางไขนับชาติไม่ท้วนพวกกามตันหานี่ ที่มีความกำนัดจิตดีมีความรักความไข่ความพอใจหรือว่าความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเงินได้เงินได้ทองได้ข้าวได้พร้องได้ทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าความกลัวว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านี้จะหายไปกลัวจะกวจแก่กลัวจะตายพวกนี้เรียกว่าวิหวสัญหาทั้งสามประการนี้ถ้พาพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าให้ละแต่การที่เราจะละได้นั้นถ้าเราไม่เห็น รูปอันนี้ด้วยทิฏฐิจักสุแล้วเราก็ละไม่ได้แต่เมื่อมาพิจารณาเห็นรูปด้วยทิฏฐิจักสุนี่แล้วก็สามารถที่จะละได้เธอมันละไปในตัวของมันเสร็จเมื่อมองไปเห็น่มันละไปในตัวของมันเสร็จนั่นเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารในตลาดพอมันอิ่มลงไปแล้วความหิวนมันหายไปเองมันเป็นอโตโมติเธอหายไปเองมันโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรมันดอก เหมือนกันก็ตั้หาทั้งสามนี่สหกไวเราพิจารณาเห็นจริงแจ้งเราไปจักลงไปในรูปอันนี้แล้วตั้นหาเหล่านี้มันก็หลุดออกไปเอมันหายออกไปเองมันสักกีกาตปันติเมทิครูเวดูก่อนที่สูตทั้งหลายมโรสควรทําให้แจ้งเป็นอริยสัจข้อที่สามมีรสนั้นหมายถึงความดับรุกในเมื่อเราพิจารณาเห็นตัวทุกข์คือรูปอันนี้แล้วจิตเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้ว มันก็ดับจิตนี้มันก็ไม่ชอบแล้วไม่เกิดความกำหนัดไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความโลภโมโทสันอะไรต่างๆนี่จิตวางเป็นกลางได้ทีนี้เมื่อจิตดับทุกอย่างนี้แล้วมันก็เหมือนกันกับว่าเราทําให้แจ้งขึ้นมาว่าเราดับไปได้อย่างไรเหมือนกันกับคนที่เรียนหนังสืออย่างนี้เมื่อเรียนไปเรียนไปแล้วมันก็เกิดแต่ความดับดับอาวิชา คือหมายความว่าดับความไม่รู้แต่ก่อนมันเขียนตัวโกตั ว, ต ว, ตวข้หัวขึ้นหัวลองเขียนตัวงอตัวโกเขียนไม่ถูกแต่พอมันผ่านพ้นไปได้แล้วมันก็เขียนถูกหมดอ่าชั้นผสมหนึ่งผสมสองก็ถูกไปอีกอ่าชั้นผสมห้าะสมหกก็ถูกยิง่งขึ้นไปอีกทั้นมัธย 5, มห้ามัธยมหกก็ถูกยิง่งขึ้นไปอีกจบมหาวิทยาลัยก็ยิ่งถูกขึ้นไปอีกเรียกว่าดับคือดับความโง่ดับความโง่ลงไป ทีนี้เมื่อดับลงไปแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ต้องกลับมาอีกคือไม่กลับมาโง่อีกเหมือน ก, นกันกับคนที่เรียนหนังสือเสร็จแล้วอ่านออกเขียนได้แล้วไม่ได้กลับไปเป็นคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำที่ว่านี่รถควรทําให้แจ้งก็เช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาดูตัวทุกอันนี้แล้วเห็นจริงแจ้งไปจากแล้วจะกลับมาเป็นผู้ไม่เห็นอีกไม่ได้มองเห็นรูปปันนี้ชัดแจงอยู่ในที่ประจักภายในแล้วนี่ อันนี้คืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้คืออันนี้จังนะเป็นของไม่เที่ยงอันนี้คือทุกขังเป็นทุกข์อย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้ภาเวตบันติเมทิคเวดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายมักควรเจริญให้มากเราคิดว่าเราพ้นทุกข์แล้วเราพอแล้วยังไม่พอเช่นอย่างก็จบปริญญาแล้วอย่างนี้ต้องมีปริญญาโทยังจะต้องมีปริญญาเอก แล้วในที่สุดถึงจะถึงที่สุดเหมือน ก, นกันกับการที่เราจะปฏิบัติให้ไปจกนกระทั่งบรรลุถึงพระนิพพานเราได้หนทางแล้วนี่อย่างเราได้นิโรธแล้วเราได้หนทางแล้วหมายความว่าเราได้ตัวหนังสือแล้วเราอ่านออกเขียนได้เรารู้หมดแล้วทีนี้เราจะส่งเสริมให้ถึงที่สุดก็เรียกว่าดำเนินมรรคมรรคนี้มันถึงที่สุดมั น, มนรองแล้วเช่นอย่างเราพิจารณาดูกายนี่เกิด อันนี้มันเป็นอนัาตามันไม่เที่ยงอันนี้มันเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาภายในจิตเกิดนพิพพยานความเบื่หอนหน่ายพาเวตเอสตำปันติเมพิทเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายมากควรเจริญให้มากทีนี้ก็ทำแล้วตัวของตนเองตัวของบุคคลผู้นั้นถ้าบรรลุจิตมาถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องมีใครเธอไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาสอน เขาจะเดินไปของเขาได้เองโดยอัตโนมัติเดินทางไปได้แล้วคราวนี้ผู้นั้นจะเลียกหรือมองหนทางได้แล้วเดินไปได้เองแต่การเดินไปได้เองนั่นก็จะต้องมีที่จบท่านจึงบอกว่าประชุมมรรคการประชุมมรรคนั้นก็คือประชุมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามครั้งที่สี่เป็นอนุชจบกันประชุมครั้งที่หนึ่งการประชุมนั้นจะต้องประชุมไปด้วยะ สศตินเดรยังวิริยินเดรยังศตินเดรยังสมาธินเดรยังปัญญินเดรยังคือมีศรัทธาเป็นใหญ่มีความเพียรเป็นใหญ่มีสติเป็นใหญ่มีสมาธิเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นใหญ่สาห้าประการนี้เรียกว่ากองทัพใหญ่ในกองทัพทั้งห้ากองทัพทั้งห้าที่เรียกว่าเป็นกองทัพอย่างสมัยโบราณก็เรียกว่ามีกองทัพทั้งห้าในกองทัพทั้งห้านี่มีกําลังเพียงพอโจมตีข้าสุดที่ไหนแหลกลานที่นั่น กองทับทั้งห้าผิดเกลียงไกลเพราะฉะนั้นในอ e ินทรีย์ทั้งห้านี่เปรียบเหมือนว่ากองทับทั้งห้าศรัทธานี่คืออย่างผู้ที่พิจารณาดูกายแล้วก็เห็นกายมองชัดเจนว่าใครเมื่อมองไปแล้วก็เห็นเมื่อเห็นแล้วใครเป็นผู้เห็นทวนกระแสกลับมาหาตัวผู้เห็นพอทวนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทวนกระแสแล้วทวนกระแสเล่าในที่สุดก็กลับมาเห็นตัวผู้เห็น อ๋ออยู่ตรงนี้เองเมื่อล้องอ้อเมื่อไรก็เหมือนนั้นแหละเรียกว่าถึงต้นทางแล้วเรียกว่าได้แล้วพบแล้วจะประชุมมรรคแล้วที่นี่ก็เรียกว่าได้ต้นหนทางอ้ออยู่นี่เองน่นเรียกว่าทวนกระแสจิตเล้เรียกว่าอย่างที่พระโสดานี้ยพระโสดาบันอย่างนี้ก็เรียกว่าพูดทวนกระแสจิตมาถึงที่ตั้งของจิตในอันดับแรกเพราะฉะนั้นเมื่อประชุม เมื่อผู้ทวนกระแสจิตมาถึงขั้นนี้แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ไม่หลงมุมไงผู้นั้นที่จะไม่ต้องไป เ, เกิดความหลงขึ้นมาเกิดความสงสัยไม่มีในใจของบุคคลผู้นั้นเป็นอันขาดไม่ต้องไม่ต้องมีความสงสัยไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ทําอย่างนี้จะถูกไหมทํางั้นจะถูกไหมอาจารย์นี้ถูกหรือเปล่าอาจารย์นั้นถูกหรือเปล่าไม่มีทั้งนั้น คือตัวของเราเองแน่ใจแล้วว่าอันนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสตินิรรยังเรียกที่ยินเดรยังความเพียร น, นั้นไม่ต้องห่วงมีความเพียรถ้าไม่ทำความเพียรก็เหมือนกันกับว่ามันขา ด, ดสิ่งใดไปสตินดิดรยังคือสมาธิเป็นใหญ่ก็คือการพิจาร ณ, รณาไกลนั้นไม่ได้ลดหย่อนนั่งจนพิจารณานอนก็พิจารณาจะเรียกว่าสติเนี่ จะเกิดขึ้นกระจากกายกายเกิดขึ้นจากสติสติพิจารณาดูกายอยู่เสมอจึงเรียกว่าสจิตนิรยังสมาธินิริยังสมา ธ, นมาธนินั่นก็ประกอบพร้อมอันยินนิรยงรังคือกระแสแห่งจิตนี่เรียกว่ากราะแสจิตนั่นสามารถที่จะมีกระแสเรียกว่าพิจารณาเมื่อไรก็ได้เหมือนกันกันกบมีดดาบที่มัน ค, ม, คมเนี่ยสามารถที่จะหันได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นในเมื่อมาประชุมทั้งห้ากองทัพเทสภาวิิยะสติสมาธิปัญญา5าประการนี้แล้วจากนี้ไปก็เดินแล้วทีนี้เดินต่อไปเดินต่อไปภาวิตโตจะเรียกว่าจเจริญให้มากพะหุลีกตัตโเรียกว่าจะทําให้มากอภิญญาะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัำโพธทายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดี นิพพานไนยะจะเป็นไปเพื่อความดับนิสอันนี้ เ, เรียวกว่าเป็นหนทางถึงแม้ว่าเราจะเดินยังไม่ถึงแต่เรารู้หนทางเอาไว้เรายังไม่เคยไปจันทบรุรีเราอาจจะไปสักวันหนึ่งเราอาจจะเรายังไม่เคยไปเชียงใหม่เราอาจจะไปสักวันหนึ่งในเมื่อเรารู้หนทางแล้วเราเดินเราก็อาจจะไปได้เพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้ผลทางว่าอ๋อการที่จะดับทุกข์ได้นี้จะต้องดําเนินอริยสัจเมื่อดําเนินอริยสัจได้ประชุมมรรคถึงสี่ครั้งเมื่อไรเมื่อนั้นผู้นั้นก็จะได้สําเร็จถึงพระอระหรันต์ผู้นั้นก็ต้องไม่ต้องเจือแก่เจ็บกายอีกต่อไปก็หมายถึงว่าได้ปฏิบัติถึงที่สุดแห่งทำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาด้วยประการทั้งปวงน่าต่อไปนี้ ก็เป็นโอกาสที่จะได้ทำสมาธิกันต่อไปศีลเราก็มีแล้วสมาธิเราก็มีแล้วปัญญาเราก็มีแล้วแต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอเพียงแก่ความต้องการเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องเตรียม ทำให้เต็มที่ก่อนแต่ที่จะถึงวันที่เราจะต้องตายศส้นสมาธิปัญญาก็ถ้าก็ว่าสามขาตั้งของได้แล้วถ้าเราขาดไปมันก็เหลือสองขาก็ชักไม่ค่อยจะมั่นคงขาดไปเหลือขาเดียวก็ชักแย่ แต่ถ้าเรามีอยู่ทั้งสามขาก็สบายหมายความว่าเราได้สำเร็จทาได้สำเร็จเป็นอย่างนั้นถ้าต่อไปนี้ก็ขอให้โยมทั้งหลายถ้ากันว่าตามอาตมาจะเป็นผู้นำถ้าพระเจ้าและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรม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 พอทำโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึ้ไวในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ า, ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธในใจ กำหนดใจไว้ที่ใจให้ธรรมะเข้าทางหูรู้ถึงใจให้ใจของเรานั้นตั้งเอาไว้ธรรมะจะหลั่งไหลเข้าไปสู่ใจเองเพราะว่าตัวของคนเรานี้มีร่างกายมีจิตใจถือว่าสมบูรณ์และมนุษย์เรา ก็ถือว่าเป็นผู้วิเศษวิเศษกว่าสันทัศ์ทั้งพวงสันสัตว์ทั้งพวงนั้นมันไม่สามารถจะมาปฏิบัติธรรมได้มันเป็นอหิเหและมันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดชาติของมันมันจะมานั่งสมาธิ มันจะมาทำอะไรแบบเราไม่ได้ทั้งนั้นนั่นเรียกว่าสัตว์เดรฉันต่างๆมนุษย์เหล่านี้วิเศษกว่าเรียกว่าสัตว์โตวิเศโสสัตว์วิเศษสามารถเข้าใจกันได้สามารถพูดกันได้สามารถปฏิบัติธรรมได้ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะ น, นั้น เราจึงถือว่ามีโชคกลาภอันวิเศษพระพทัตโตองค์ตรัสว่ากิจโฉมนุษย์อติลาโพการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอย่างยิ่งกิจกิจฉังมัจจานชีวิตตังการจะมีชีวิตมาถึงวันนี้ก็ายากอย่างยิ่งกิจกิฉังธรร ม, มัจจวั น, นงัง การจะได้ฟังธรรมครรสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากอย่างยิ่งคิทเถพุทธานามุต ป, ปโดการโนบัติบางเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็ยากอย่างยิ่งทั้งสี่ประการนี้ ก, กว่าสี่ยากยากแรกก็คือการเกิดมาเป็นมนุษย์การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เป็นของง่าย เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นสัตว์มันเป็นของง่ายนักเหมือนกันกับมดอย่างนี้ลงั ง, ลงนึงลังนึงไม่รู้มันเท่าไหร่ปลวกอย่างนี้ลังหนึ่งลังหนึ่งไม่รู้มันเท่าไหร่มันก็เกิดขึ้นมาง่ายส่วนมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมายากเพราะว่าต้องมีบุญมีวาสนามีบุญมาแต่อดีต จึงจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้และเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตมาอยู่ถึงวันนี้ก็ไม่ใช่ของง่ายอีกแล้วบางทีถูกเขาไปโยนน้าทิ้งตั้งแต่เด็กหรือถูกเขาเอาไปทอดทิ้งตั้งแต่เด็กโตขึ้นมาไม่ได้ตายไปบางทีเกิดมาโตนหน่อยก็ตายบางทีเกิดมามีโรคมีภัยอยู่ไม่ได้ก็ตาย กาจะมาถึงวันนี้ก็เรียกว่าผ่านมาเยอะเรียอว่ายากหนักหนาที่เราจะมีชีวิตผ่านมาถึงวันนี้และยากสามก็คือการฟังธรรมการฟังธรรมนั้นไม่ใช่ง่ายนักบางทีเราเกิดมาก็ไม่พบพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ฟังธรรมหรือเกิดพบพระพุทธศาสนาแต่ไม่ศรัทธา ก็ไม่ได้มาฟังธรรมหรือเกิดศรัทธาแต่ว่าร่างกายของเราผู้ผลละพาพก็ไม่ได้ฟังหรือว่าเกิดศรัทธาแต่ไม่มีพระเทศให้เราฟังอย่างนี้เราก็ไม่รู้จะไปฟังที่ไหนจึงเป็นสิ่งยากยากตีนั่นคือการอุบัติบังเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธเทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติบังเกิดแต่แล้วองค์นั้นต้องบําเพ็ญบารมีมาถ้าผู้ที่เป็นวิริยะถ้าเป็นปัญญาบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี้ก็เรียกว่าบําเพ็ญบารมีมาเพียงสีอสงไขยแสนกลับก็ะเด่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเป็นพระพุทธเจ้าศรัทธาทิกะ นี่เรียกว่าปัญญาทิฏฐะอย่างพระพุทธเจ้าเรานี่อย่างพระพุทธเจ้าองค์อื่นก็เรียกว่าเป็นศรัทธาทิกะถ้าเป็นศรัทธาทิกฐะก็ต้องแปดอาสงไขยกว่าจะได้มาสำเร็จถ้าหากว่าเป็นวิริยาทิฏะก็จะต้องให้เวลาถึงสิบหกอสงไข่เพงจะได้มาอุบัติบังเกิดเป็น แล้วก็กับหนึ่งกับหนึ่งนั้นจะมีพระพุทธเจ้าไม่กี่องค์อย่างกับของเราเรีย ก, กว่าพัน ธ, ธกับอกลับอันเจริญหรือเรีย ก, กว่ากับดีมีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์ด้วยกันคือพระพุทธเจ้าสุสันโทพระพุทธเจ้าโกนาคมพระพุทธเจ้ากัจจะโต และพระพุทธเจ้าโคตมโมที่เราพากันนับถือท่านอยู่นี่แล้วยังเหลืออยู่อีกองหนึ่งคือพระพุทธเจ้าสีอาริยเมตไยโยนั่นเป็นองค์ที่ห้าและเมื่อพระสีอานมาบังเกิดแล้วลือสัตว์ผลสัตว์ผลจากคลุบไปแล้วก็เป็นอันว่าแผ่นดินนี้ก็จะถึงการละอวสาร แล้วก็ตั้งกลับกันใหม่การตั้งกลับใหม่กว่าจะเป็นกลับขึ้นมาได้นั้นก็นานมากท่านเปรียบเหมือนกันกันกบว่าภูเขาสูงได้ห้าสูงได้ร้อยยอดแล้วก็มีเทวดามากวาดวันละครั้งแล้วก็ภูเขาที่สูงนั้น ที่อ่ะลงเสมอดินเรีย ก, กว่ากลับหนึ่งมันก็นานเหลือเกินนะ่ะเพราะฉะนั้นในสระกับจึงมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์ดีเอสององค์หรือว่าวางกลับอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวมาพัทธกับของเรานี้มีพระพุทธเจ้าถึงห้าพระองค์เพราะฉะนั้นยากสี่ก็คือการอุบัติวังเกิดขึ้น ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าทั้งสี่ประการยากสี่นั้นเราก็ได้ประสบพบได้ด้วยกันทุกคนแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมามีชีวิตอยู่ถึงวัดบัดนี้เราเกิดมามีศรัทธาฟังธรรมเราเกิดมาได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นศาสดาแทนพุทธองค์จะเรียกไปยากทั้งสี่ประการนั้นเราก็ได้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นยังอยู่ว่าความอดทนขันติเราจะมีเพียงไหนวิริยะเราจะมีเพียงไหนอุตสาหะเราจะมีเพียงไหนที่เราจะปฏิบัติให้เกิดขึ้นซึ่งในความดีความงาม ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการก้าวหน้าของจิตใจของการปฏิบัตินี้เป็นอัน เ, เป็นความก้าวหน้าที่จะต้องมีผลให้แก่จิตใจของเราที่ใจของเราจะต้องไปเกิดต่อไปเพราะว่าใจนี้ไม่ตายร่างกายตายไปแต่ใจไม่ตาย ใจนี้จะต้องไปเกิดต่อไปแต่ในเมื่อเราพากันปฏิบัติวามดีได้แล้วในพุทธศาสนาการก้าวต่อไปก็คือก้าวไปอย่างมีประโยชน์ก้าวอย่างที่การบรรลุก้าวไปอย่างที่เรีย ก, กว่าก้าวไปหามรักหาผลนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเราควรอย่างยิ่งที่จะต้อง มีความตั้งใจที่แน่วแน่หรือเรียกว่าขันติความอดทนเวลยะความภาคเพียรเป็นต้นเมื่อเราใช้ความสามารถที่มีอยู่แล้วกลุ่มต้อนของการปฏิบัตินั้นได้เพิ่มเป็นวาสนาได้เพิ่มเป็นบารมีต่อมาจึงทำให้การที่เราเป็นมนุษย์หรือเราพากันมีชีวิต อยู่ในขณะนี้และปัจจุบันนี้เป็นชีวิตที่สูงส่งด้วยค่าเรียกว่าค่าสูงเหลือเกินคนในสมัยก่อนจะแหวงหาพระพุทธศาสนานี้พากันเดินตามหาเช่นพวกฤาษีทั้งห้าร้อยมาจากภูเขาหิมวันประเทศได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติ บังเกิดแล้วก็พากันเหาะมาจากหิมมาวันประเทศมาฟังธรรมธรสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าจะทำจบฤษีห้าร้อยก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ไปและยังมีอีกประชาชนที่เป็นพระราชาและที่เป็นเศรษฐีพากันออกบวชนับจำนวนมาก แล้วการออกบวชของท่านก็สแสวงหาความดีคือสแสวงหาความพ้นทุกข์ทั้งนั้นการที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือการปฏิบัติ จ, จิตใจที่เรากระทาจะทําให้เป็นผสมไมชนันจะทาให้เป็นทุติยชานจะทําให้เป็นปติยชานจะทําให้เป็นจะจะดุจชาน เลือกเวชชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เท่านี้ก็เป็นโอกาสที่จะจะทํำวิปปัสนาต่อไปได้เพราะว่าการจะทําวิปปัสนานั้นต้องอาศัยสมถะเป็นเครื่องพอเพียงเสียก่อนถ้าสมถะไม่พอเพียงเราไปดําเนินวิปปัสนามันก็เป็นวิปปัสนาไปไม่ได้การพอเพียงของสมถะนั้น คือการทำจิตเข้าถึงฌานที่สี่หรือเรียกว่าจตุสชานนั้นจตุสชานนั้นเปรียบเหมือนกันกันกบผู้ที่เข้าไปอยู่ในที่ป้องกันเต็มที่ไม่มีกระสุนลูกปืนลูกระเบิดอันใดที่จะเจาะเข้าไปถึงผู้ น, นั้นได้ผู้ น, นั้นก็อยู่ได้ด้วยความไม่หวั่นเสียวเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่มี อารมณ์ต่างๆไปเจอเข้าปะทะเข้าไปได้อย่างนั้นเรียกว่าเป็นฌานเฮถ้าทำจิตได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นฌานขั้นสูงสุดในการที่เรามีฌานสูงสุดแล้วท่านก็ให้ดําเนินคือดําเนินมหาดําเนินมหาสติปัฏฐานการดําเนินมหาสติปัฏฐานนั้นก็คือตั้งสติ ไว้ที่มหาสติปัฏฐานตั้งสติไว้ที่มหาสติปัฏฐานก็คือกายานุปัฏนาสติปัฏฐานเลทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัฏนาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นี้คือการพิจารณากายสติปัฏฐานที่หนึ่งคือกายานุปัสนานั้น หมายถึงการพิจารณากายเมื่อจิตของเรานี้ได้เข้าไปพิจารณากายเห็นจริงแจ้งไปจักรลงไปเมื่อไรจิตนั่นก็เกิดสติความมีสติของจิตนั่นแหละเรียกว่าทำให้เกิดสติปฐานขึ้นการมีสตินั้นคือสติมันต้องใช้การแก่กล้าสติธรมธรมดาธรรมดา แยกว่าระลึกได้แต่ว่าสติแก่กล้านั้นไม่ใช่เพียงระลึกได้อย่างเดียวยังเห็นอีกด้วยอย่างมองดูกายอย่างนี้ไม่ใช่ระลึกว่าอันนี้เป็นกระดูกสีโครงอันนี้เป็นกะโหลกศีรษะแต่เห็นอีกด้วยจิตนี้สว่างคือเกิดความสว่างขึ้นถ้าจิตนี้ถ้าเราได้ฝึกเข้าฝึกเข้า ความสว่างของจิตนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นอันความสว่างของจิตนี้แหละที่เรียกกันว่าดวงตาทิพย์ดวงตาทิพย์อันนี้เป็นดวงตาทิพย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นวิปัสสนาได้พิจารณาดูกายท่านเปรียบเหมือนกันครับนายโครคาที่ข้าโคอันไหนเนื้อสันอันไหนหนังมัน อันไหนเนื้อขาอันไหนสิโครงมันอันไหนไสในนี่พิจารณาเห็นละเอียดล้ออย่างนี้ก็เปรียบเหมือนกันกันกบผู้ที่ทาสมาธิพิจารณานี้อันนี้เป็นธาตุดินน้าไฟลมผมขนและผ น, น, นังเป็นธาตุดินน้าเหลืองน้าเสลดเป็นธาตุน้าความอบ อ, อุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟ ความพัดไปพัดมาเป็นธาตุลมพิจารณาตั้งสติพิจารณาอย่างนี้จนกระทั่งจิตนี้ไม่วกแวกไปทางอื่นมองพิจารณาเห็นจริงเลอเห็นจริงแจ้งไปจักลงไปว่ า, าการที่ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่แล้วก็แยกใจออกมาจากกาย เมื่อพิจารณาได้อย่างนั้นก็จะทําให้เกิดเป็นมหาสติปัฏฐานได้การให้เกิดมหาสติปัฏฐานนั้น<ม>เรียกว่าเป็นหนทางที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสว่ามหาสติปัฏฐานเปรียบเหมือนชั ย, ยภูมิการสู้รบจับ<ม>จตบมือหรือเรียกว่าการสู้รบแตศึกนั้น ถ้าเรามีชัยภูมิที่ดีเราก็กำชัยชนะได้ถ้าเรามีชัยภูมิที่ไม่ดีเราก็สู้เขาไม่ได้กองทัพก็แตกกระายเหมือนกันกับพูดที่พิจารณามหาสติปัฏฐานพิจารณาไปพิจารณาไปก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่า เราไม่มีสติพอหรือสมาธิกำลังก็ไม่พอสติก็มีกำลังไม่พอเมื่อสติมีกำลังไม่พอการพิจารณาถึงร่างกายอันนี้ก็พิจารณาไม่ได้เพิพจาไม่สามารถทีจาาถ่จะพิจารณาเห็นได้เมื่อไม่สามารถจะพิจารณาเห็นได้ ความมีสติมันก็ไม่แก่กล้าแต่ถ้าพิจารณาเห็นได้ความมีสติอันนี้ก็แก่กล้าขึ้นการแก่กล้าของสตินั้นจำเป็นเลิเกินที่จะต้องได้รับการอบรมการอบรมนั้นเราจะสังเกตได้จากการที่เราอบรมเด็กเด็กนั้นจาเป็นที่จะต้องให้มีตารางการทา วันนี้เช้าแกถูกบ้านกลางวันแกไปโรงเรียนกลับคืนมาแกทำการบ้านต่อไปแกล้างชามต่อไปแกทำความสะอาดทั้งล่างอะไรอย่างนี้นั่นเรียกว่าอบรมเด็กถ้าอบรมอย่างนั้นได้เด็กนั้นก็เป็นเด็กดีสามารถที่จะ พัฒนาตัวของมันขึ้นไปเป็นเด็กที่ดีได้เหมือนกันกับการอบรมสติการอบรมสติเราก็ต้องมีตารางเช่นอย่างเมื่อเวลาตอนเช้าเราทำอะไรเวลากลางวันเราทำอะไรเวลาเย็นเราทำอะไรเราต้องมีสติเราเรียกว่าสติปัฏฐานต้องให้ มันอบรมคือหมายความว่าอบรมให้เป็นขั้นเป็นตอนคืออบรมให้เกิดอความมีระเบียบของการปฏิบัติการทําให้เกิดมีระเบียบของการปฏิบัตินั้นก็คือการวางตารางให้กับที่เราพากันปฏิบัตินั่นเองเมื่อเราได้ขั้นนี้แล้วเราก็ต้องขยับต่อไป คือพิจารณากายเห็นแล้วใช่ไหมเหมื่อพิจารณากายเห็นแล้วเราก็ทวนกระแสจิตของเราว่าใครเป็นผู้เห็นเหมือนกันกันกบเราถ้าพากันนั่งอยู่ในที่นี้มองไปดูว่าอ่อนนั่นประตูหน้าต่างที่มองไปดูประตูหน้าต่างนั้นตัวเรานั่งอยู่ในที่แห่งเดียวเหมือนกันกับที่เราได้ กำหนดสติกำหนดสติของเรากำหนดไว้ที่เดียวแล้วเราก็มองไปดูว่าอันนี้เป็นกระดูกอันนี้เป็นเนื้อเ ป, เป็นต้นอย่างนี้ถ้าเรากำหนดตลังเอาไว้ได้ว่าเรานั่งสมาธิหนึ่งชัวง่วโมงเราพิจารณาซะยี่สิบนาทีเรานั่งสมาธิยี่สิบนาที เราพิจารณาสักสักห้านาทีอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นข้อกําหนดหรือเรียกว่าตะลังในการที่เราจะอบรมคืออบรมบ่มอินทรียการ บ, บอบรมบ่มอินทรีย์ถ้าหากว่าทําได้อย่างนี้จิตนั้นก็จะเป็นมหาสติปัฏฐานที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปส่วนการที่จะเป็นจิตใต้นุปัจจณาสติปัฏฐาน เวทนานปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนั้นมันก็เป็นไปเองมันเพราะว่าส่วนทั้งสี่นั้นเป็นนามธรรมเรานำเอามาพิจารณาให้ง่ายๆเหมือนกันกับเราพิจารณากายนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะพิจารณาเวทนา เมื่อเวลาพิจารณาเวทนาก็คือพิจารณาว่าเวลาจิตสบายนั้นเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเวลาที่มันไม่สบายเราก็ไม่ทุรนทุรายอย่างนี้เรียกว่าเราทําสติในเวทนาเมื่อเวลาจิตมันพุ่งสั้นเราก็กําหนดรู้ในที่สุดเราก็ดึงมันมาไม่ให้มันพุ่งสั้นต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนา เวลาที่อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างเราก็คิดว่าอารมณ์มันก็สับแต่ว่าอารมณ์ในที่สุดมันก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางต่อไปเพื่อความบรรลุเราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเอาชัยภูมิคือ มาหาสติปัฏฐานนี้ไว้เป็นข้อปฏิบัติเมื่อเรามีข้อปฏิบัติถูกต้องก็เหมือนก้เราเดินทางถูกในที่สุดก็จะประสบผลสำเร็จสมความปรารถนาสมความต้องการสมความที่เราเป็นพุทธบริษัทซึ่งจุดประสงค์สุดท้ายปลายทางก็คือความบรรลุนั่นเอง หน้าต่อไปก็นั่งสมาธิท่านต่อไปอีก